3.13 หนึ่งสการแผ่เมตตาให้ตัวเองเวลาเราจเจริญเมตตาจะเป็นสมถกรรมฐานเป็นเครื่องมือใช้แก้โทสะใช้ข่มโทสะของตัวเองอีกอันหนึ่งพอจเจริญเมตตาแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยแก่คนอื่นสัตว์อื่นก็ได้ผูกมิตรกับเขาฉะนั้นวัตถุกประสงค์ไม่ใช่แค่แผ่เมตตาเพื่อผูกมิตรว่าถุกประสงค์สาคัญคือทาสมถะให้ใจสงบตั้งมั่นทีนี้ใจของเราที่ไม่มีความสุข ไม่มีความสงบสำหรับบางคนที่บอกว่ามีโทสะบ่อยโทสะมันเกิดเนืองๆถ้าเราหันมาดูจิตดูใจตัวเองจะเห็นเลยว่าทุกคราวที่โทสะเกิดจิตใจของเราไม่มีความสุขจิตใจนี้น่าสงสารจิตใจเร่าร้อนทุรนทุรายให้หันมารักตัวเองสักหน่อยคนที่มีความโกรธมากๆนี่ไม่รักตัวเองทาร้ายตัวเองมากเพราะว่าทันทีที่ความโกรธเกิดขึ้นจะทาร้ายตัวเองก่อนแล้วทำร้ายคนอื่นทีหลัง ฉะนั้นเวลาที่เราหัดทำกรรมฐานจิตใจของเราไม่มีความสงบสุขเร่าร้อนโมโหให้มาดูที่จิตที่ใจของเราให้สงสารมันหน่อยว่ามันมีความทุกข์นะมันหาความสุขไม่ได้เลยมันร้อนมันทุรนทุรายให้นึกถึงมันในแง่ดีนี่มันเป็นสัตว์กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ตัวเราเองนี่กำลังตกทุกข์ได้ยากนะถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงามันน่าสงสารมันน่าสลดใจ แต่เดิมเวลาเราโกรธเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแต่ตอนนี้ดูไปดูมามันไม่ใช่กูเก่งแล้วกูน่าสงสารมันไม่ใช่กูเก่งอีกต่อไปแล้วกูโง่ น, นั่นแหละถ้าได้โกรธเพราะเห็นอย่างนี้มันน่าสงสารนะมันมีเมตตาจิตใจมันจะค่อยๆ อ, อ่อนโยนมันเรื่องอะไรมันจะโกรธให้ทุกข์ละเพราะมันเห็นทุกเห็นโทษมันก็เลิกไปเองเพราะจิตใจของเรามีความสุขมีความสงบ คราวนี้เรานึกถึงใครเราก็จะนึกถึงในทางดีของเขาเราจะรู้เลยทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีใครมีดีโดยส่วนเดียวท่านพุทธทาสบอกมันจะรู้สึกว่ากระทั่งเราเองบางคราวกิเลสครอบงาย่าแย่เลยคนอื่นเขาก็เหมือนๆกันมันน่าสงสารเหมือนๆกันมันจะเริ่มมองคนอื่นอย่างเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่อย่างศัตรูคู่แค้นความเมตตามันจะแผ่ออกไปอย่างนี้จิตใจมันจะร่มเย็น พอใจของเราร่มเย็ยนเรานึกถึงใครความร่มเย็ยนก็ออกไปเองไม่ต้องแผ่นะไม่ต้องส่งพลังไปนะส่งพลังออกไปยิ่งสิ้นเปลืองยิ่งหมดแรงค่อยทําไปอย่างนี้นะในที่สุดเราเข้าใกล้ใครคนนั้นก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขเพอะเรามีความสุขก่อนนะความสุขมันก็จะล้นเหมือนน้าเต็มถ้วยมันก็จะล้นออกไปแผ่ความเย็ยนซึมซ่านออกไปรอบๆตัวใครเข้าใกล้ก็มีความสุข จริงๆแล้วเราแผ่เมตตาให้คนอื่นน่ะมันแผ่ยากเราควรแผ่ให้สิ่งที่เรารักอย่างเราแผ่เมตตาให้ศัตรูเนี่ยแผ่ยากนะแผ่ให้มิตรนี่แผ่ง่ายกว่าสิ่งใดเรารักมากที่สุดเรารักตัวเองที่สุดแผ่เมตตาให้ตัวเองนี่ง่ายที่สุดเลยถ้าเรามีความเมตตาสงสารตัวเองเราจะไม่ทำชั่วเพราะถ้าทำชั่วแล้วมันทาให้ตัวเองเดือดร้อนฉะนั้นการที่เราคอยแผ่เมตตาให้ตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจก็จะสงบสุขไม่ทาความผิด ไม่ทำผิดศีลผิดธรรมเพราะเรารู้ว่าถ้าทำผิดศีลผิดธรรมจะมีความทุกข์ฉะนั้นเราแผ่เมตตาไม่ใช่ได้แค่สมาธินะแผ่ไปเรื่อยๆศีลก็จะงดงามขึ้นด้วยต่อไปก็ค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนี่ก็สัสตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์อีกฝูงหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเมื่อสติปัญญาแก่รอบก่อนนะเราค่อยดูไม่มีสัตว์ไม่มีคนนั่นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะ